สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทอกรคุณชอบเล่าคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้ก ร, รุณาแบ่งปันมานะครับเรามาฟังเรื่องแรกที่คุณนิพนุกบุษบันในส่งมาให้ทางเมลนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพรานท่านหนึ่งชื่อพรานลุมโดยได้ข้อมูลมาจากสุขใจ .com เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็เชิญรับฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่พรานล่าซาดได้เล่าให้ฟังเมื่อตอนที่ไปเที่ยวป่าเขาเล่าว่าพรานลุม เป็นพรานเท่าที่มีอายุเยอะมากแล้วแต่ก็ยังนับได้ว่าเป็นพรานที่เจนป่าอยู่คนรุ่นเดียวกับแกต่างก็เลิกเป็นพรานกันไปหมดแล้วแต่ตัวแกเองก็ยังใช้ชีวิตเป็นพรานป่าเก็บของป่ามาขายในเมืองบ้างล่าสัตว์มาขายบ้างรับนำทางให้นักท่องเที่ยวบ้างถึงอายุแกจะเยอะแกก็เป็นพรานที่มีคถาอาคมไม่ว่าจะเข้าป่าที่ไหนแกจึงไม่กลัวเพราะความที่เป็นคนมีวิชาติดตัว แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแกแบกปืนเข้าป่าไปสองวันแล้วก็ยังไม่ได้สัตว์สักตัวจึงทําให้แกงุดหงิดมากแกจึงได้ตัดสินใจไปที่ปูงพงที่ซึ่งชาวบ้านล่ํำลือกันว่าผีดุไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าสัตว์ที่นั่นแล้วก็ด้วยความหงดหงิดที่แกเข้าป่ามาตั้งสองวันแล้วยังไม่ได้สัตว์สักตัวพรานลุมจึงได้เดินทางไปที่ปูงพงด้วยระยะทางไปที่ไกลกว่าจะไปถึงก็ดึกสงัดมากพรานลุมขึ้นไปนั่งดักขอยยิงสัตว์อยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบรรยากาศรอบตัวมืด แล้วก็แถมยังดูวังเวงชอบกลนั่งนิ่งแล้วก็ใช้สมาธิเฝ้ารอคอยสัตว์มันต้องได้สักตัวนะนั่งรอแล้วก็รอท่ามกลางความเงียบที่แม้แต่ใบไม้หล่นก็ยังได้ยินเสียงแกนั่งรออยู่นานก็ไม่เห็นมีตัวอะไรผ่านมาเลยแกจิงตะโกนออกมาด้วยความหัวเสียว่าสัตว์มันหายไปไหนกันหมดวะหรือผีป่ามันจะเอาไปกินกันหมดไม่เหลือวะฮิกูลาบังเลยและเจก็กตะโกนออกไปได้พักเดียวก็ปรากฏความเคลื่อนไหวขึ้นที่พื้นป่าด้านล่างทันที พราลุมรีบเงียบเสียงแล้วก็เพ่งสายตาดูว่าเป็นตัวอะไรท่ามกลางความมืดบื้องล่างกับสายตาที่เริ่มจะชินแล้วสิ่งที่ปรากฏให้แก่ได้เห็นก็คือสมเสรศ์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ถือกันว่าเป็นตัวอัปมงคลของพรานทั้งหลายเนื่องจากเป็นสัตว์ที่รวมลักษณะของสัตว์หลายอย่างไว้ในตัวเดียวกันไม่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองพรานรุ่นเก่าได้เล่าต่อกันมาว่าถ้าหญิงไปโดนส่วนไหนของสมเสร็จมันจะร้องเป็นเสียงของสัตว์ชนิดนั้น พราลุมเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งมโหใหญ่ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวอะไรเพราะนี่มันตัวอปะมงคนสําหรับพรานยิ่งหาสัตว์ไม่ได้อยู่ก็ยิงมีตัวปะมงคลผล่ออกมาอีกด้วยความมโหพรานลุมจึงยิงปืนไปที่สมศริตัวนั้นปังลูกกระสุนตรงเข้าเป้าทันทีเออปรากฏว่ามันมีเสียงร้องออกมาเป็นเสียงหมูพรานลุมชะงักกึกแกเกิดอาการงงทันทีจริงหรือเนี่ยไม่อยากจะเชื่อที่เคยได้ฟังจากพรานคนอื่นแล้วให้ฟังเพิ่งได้เจอกับตัวเองเข้าก็วันนี้เอง ที่เขาว่าหญิงโดนส่วนไหนของสัตว์ชนิดไหนมันก็จะร้องป็นเสียงนั้นระหว่างที่พรานลุมกําลังตะลึงงานอยู่นั้นสมเสร็จตัวนั้นก็ยังไม่ตายมันพยายามหนีออกจากที่ตรงนั้นพรานลุมถึงพูดออกมาว่าไอ้นี่มันหนังเหนียวแฮเอาเอาไปอีกนัดละกันผู้จบนิ้วแกก็กระดิกไกยิยงซ้ำไปอีกนัดหนึ่งปงังคราวนี้มันร้องเป็นเสียงช้างดังลั่นป่าและที่น่าแปลกอีกก็คือมันก็ยังไม่ตายมันยังพยายามเดินเข้าป่าไปให้ผลจากที่ตรงนั้น ถึงตอนนี้พรานหลุมยิ่งตกตะลึงขึ้นอีกหลังจากที่ได้ยินเสียงของสัตว์สองชนิดจากสัตว์ตัวเดียวยิ่งมองยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งโกรธเสียกระสุนไปถึงสองนัดแต่สมเสร็จตัวนั้นก็ยังไม่ตายแกจึงตัดสินใจยิงซ้ำลงไปอีกทีปังเป็นนัดที่สมกะให้ตายคราวนี้มันน่าจะนิ่งได้แล้วแต่สิ่งที่ตามมาก็ทําเอาแกถึงกับช็อกเพราะหลังจากที่กระสุนนัดนั้นถูกตัวสมเสร็จเจ้าสมเสร็จตัวนั้นก็ยังไม่ตายแต่ที่แปลกหนักก็คือ ก่อนที่สำเร็จตัวนั้นจะหนีหายเข้าไปในป่ามันก็มีเสียงนี้เกิดขึ้นเออ ย, ยิงข้าทำไหมเสียงร้องแบบคนที่กรดจัดและในเวลาเดืกสงัดเงียบอย่างนั้นเสียงนั้นมันยิ่งกังวานชวนหลอนยิ่งนักพราน ล, ลุมนั่งนิ่งตะลึงเหงื่อแตกพลักป่าทั้งป่ากลับมาเงียบสงัดอีกครั้งแต่แล้วก็มีเหตุไม่กิ่นาทีต่อมาต้นไม้ที่แก่นั่งอยู่นั้นมันโยกเยกเอไว้ไปมาอย่างแรงเหมือนมีคนมาเขยา่า ทั้งทัที่ในขณะนั้นไม่มีลมเลยสักนิดเดียวแกตกใจมากรีบตั้งสติโดยเร็วคิดว่าโดนเข้าแล้วจากนั้นก็รีบท่องบนคาถาอาคมที่นึกขึ้นได้ทันทียิ่งท่องไปต้นไม้ที่แก่นั่งอยู่นั้นก็กลับยิ่งโยกเยกไหวแรงขึ้นทั้งทั้งที่ต้นไม้ต้นอื่นรอบตัวก็ยังไม่มีอาการไหวเอ็นมันยังคงนิ่งอยู่เหมือนเดิมคาถาอาคมที่มีก็ท่องไปหมดแล้วต้นไม้ก็ยังไม่หยุดขยา่าพรานลมแก่จึงคิดใช้วิธีสุดท้าย วิธีนั้นก็คือขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาหน้าที่แห่งนั้นไว้เท่าความคิดแกยกมือขึ้นประนมไหว้แล้วก็กล่าวคําขอ ข, อขอมาลาโทษเมื่อสิ้นประโยคขอขอมาลาโทษจาปากของแกพรันต้นไม้ที่แกนั่งอยู่ก็หยุดไหวบัดนี้ต้นไม้นิ่งรอบตัวก็นิ่งทุกอย่างเงียบพรานลุมรู้สึกกลัวมากแต่ตัวแกเองก็ยังไม่ขาดส ต, ติไม่ยอมหนีลงจากต้นไม้เด็ดขาดเพราะถ้าลงมาจากต้นไม้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรอีก คือลงไปตายแน่แกจึงได้ทนนั่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นหนาใหญ่สว่างและเมื่อแสงแดดทอแสงส่องลงมาแกก็รีบลงจากต้นไม้ออกปากกลับบ้านทันทีเมื่อกลับถึงบ้านแกก็จับไข้หัวกระโนผมหลุดร่วงไม่ได้เข้าป่านอนสมอยู่บ้านถึง2อาทิตย์แล้วเรื่องราวของพราน ล, ลุมก็จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนิพนนุกบุษบันในที่ได้กรุณา น, นําข้อมูลจากสุขใจดอทคอมมาให้ถ่ายทอดนะครับ ทีนี้พวกเราตามไปดูกระทิงกันบ้างดีกว่าครับจากหนังสือผจญภัยในป่าสูงของท่านชาลีเอี่ยมกระสินพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วไปกันเลยมีกระทิงโทนตัวหนึ่งในจำนวนกระทิงใหญ่ที่ถูกหญิงบาดเจ็บและติดตามหลังแขนชําระนี้ด้วยความตายซึ่งพรานป่าต่างหวาดกลัวอย่างยิ่งไม่ต้องติดตามกระทิงบาดเจ็บมันจะบ้าเลือดจนขุนหัวลุกพรานป่าต้องสังเวยชีวิตบาดเจ็บมันนับไม่ถ่วนไม่ได้มาผจนในเวทีเลือด มันเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่น้ำหนักตัวเป็นตันสูงใหญ่ฉลาดปราดเปรียวว่องไวและเร็วอย่างไม่น่าเชื่อพละกำลังมากมายเหนือมนุษย์หลายเท่าเหตุการณ์ศึกระเลงเลือดเกิดขึ้นที่ป่าบ้องตี้อไซโยกข้ามก่งแม่น้ำน้อยกาญจนบุรีชาวกระเลงบ้องตี้สี่คนไปเที่ยวป่าสัตว์ป่าต่างๆที่บงตี้เขาพลูแม่น้าเลาะเขาเลียงผาห้วยแห้งติดเขตป่าประเทศพม่า และภูเขาสูงใหญ่ยาวเหยียดดงใหญ่จนถึงปีล็อกอีตองเว่ยเยียงอำเภอทองผาภูมิพื้นป่าใหญ่พื้นนี้เป็นดงดิบเย็นป่าพมา่ามีสัตว์ปศสัตว์ขนาดใหญ่มากมายทั้งช้างป่าหัวแดงกระทิงสมเสร็จเก้งกวางเลียงผาและอีกมากมายไพรกระเรียงสีคนตามรอยกระทิงโทนยำฤดูฝนก่อนห้ามงเช้าพบรอยมันขึ้นเขาสูงเพื่อจะหาที่นอนพักกลางวัน ตามไปจนพบตัวกระจายกระแอ บ, บเข้าหญิงคนหนึ่งย่องเข้าไปหญิงด้วยปืนแก๊ปลำกล้องโตกระทิงโดนยิงอย่างจังหนีขึ้นเขาพรานกระเรียงตามไปอย่างกระชั้นมันถูกยิงบาดเจ็บยังมีกำลังหนีพรานติดตามขึ้นเขาไปไม่ยอมหยุดแอบบซุ่มในดงไม้รอเวลาหาจังหวะพวกติดตามมาความดุร้ายบ้าเลือดไม่กลัวตายอยู่ในสันดานดิบของกระทิงพรานกะเรียงชนานาญป่าก็หารอดแผนกลลวงของกระทิง ถล่มเข้าไปสู่กรงล่อของมันที่แอบจ้องด้วยความพยาบาทกระเลีงหน้ากำลังก้มสํารวจรอยเลือดรอยเท้าทั้ง3คนตามหลังเสียงไม้ดังเพีย้ยผูมไม้หนาข้างหน้าสั่นไหวเสียงไม้หักยงยางเหมือนช้างดุ ด, ดันมันรวดเร็วจนกระเรียงยกปืนตั้งรับไม่ทันร่างสูงใหญ่ดํามาเมื่อมน้องๆช้างก็ถลันเข้าถึงตัวใช้เขาเข้าขิดหัวกระแทกเข้าชายโครงหัก ปืนลั่นเปรี้ยงไม่ถูกที่หมายไงยตัวกระเด็นไปตกในกระโหลกหินตีลังกาติดใต้ใบไม้ใหญ่หักแนบตัวที่บาดเจ็บแน่นิ่งหมดความรู้สึกกระเรี่ยงพูดตามยกปืนขึ้นยิงช่วยไปที่บ้านท้ายปังสิ้นเสียงปืนร่างที่ใหญ่โตไม่เชื่อว่ามันจะหมุนตัวได้รวดเร็ววิ่งรีบเข้าใส่อย่างฉับพลันเอาหัวเข้าชนกระแทกกระเด็นยิงแล้วหนีไม่ทันใช้ปืนยันรับจนปืนหักกระเด็นเข้าไปติดต้นไผ่ใหญ่มันพุ่งเข้าใส่อย่างไม่รีรอขีดซ้ำอย่างเมามันด้วยความบ้าเลือด ในตาแดงกล่ำด้วยความดุร้ายพุ่งเอาหัวกระแทกลำไพรหักบน ป, ปี้อัตร่างพรานที่โชคดีมีต้นไพลลำใหญ่บังอยู่แต่ก็ไม่ไหวถูกลำไพรอัดลำตัวที่บังอยู่สิคร้งหักพรานกรเลียงอีกคนจะยิงช่วยแต่โรจะยิงไปถูกเพื่อนขณะชุลมุนเลี่ยงถอยห่างหาจังหวะเหมาะยิงแล้วหนีขึ้นต้นไม้ได้จังหวะยิงปังมันพุ่งตัวขยงเข้าใส่ร่างพรานกะเรียงขณะที่หุ่นตัวลอยขึ้นครบท้อย่างว่องไวผลขมเขายิ่งวุ่น กระถิ่งบ้าเลือดทำอะไรไม่ได้เอาหัวชนกระแทกต้นไม้อย่างโกรธแค้นพ่นลมหายใจแรงครู่ใหญ่มันก็เดินออกไปไม่กี่ก้าวแล้วจู่ๆก็เหมือนตัวกลับอย่างรวดเร็วปรีวิ่งเข้าชนต้นไม้ใหม่เปลือกลำต้นไม้แตกเป็นกระบียหมายจะให้กะเรียงตกลงมากะเรียงก็คบหมายแน่นจ้องมองกิริยาแสดงความโกรธแค้นของมันพ่นลมหายใจฝืดมีเลือดบนหนามมูที่ซอกคอง่ามเขามีฟองขาเหมือนฟองสบู่เปียกชุ่ม มันยืนเฝ้าหยุดพักใหญ่ก็หมุนตัวเดินดุ่มลงไปทางลาดลงเขาตามด่านใหญ่ที่ป่าไผ่กเริงอีกคนสะพายย่ามไม่มีปืนไม่กล้าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ขณะพวกกำลังทำศึกพวกกระทิงเสียงปืนดังแต่ละครั้งกังวานสะท้อนกล้องหุบเขาสร้างความตื่นเต้นจนตัวสรรั่นต้องรอจนกว่าพวกจะตะโกนเรียกให้เข้าไปเสียงร้องตะโกนของพวกให้เข้าไปรีบขวาย่ำขึ้นสะพายแล้ววิ่งเหาะไปหาเพื่อนขณะกำลังดันต้นไผ่ป่าลำใหญ่อัดพวก กระเดียที่ถูกกระถิงขวิดและถูกขวกระถิงกระแทดอัดดันอยู่ในกอไผ่ร้องอดอวยด้วยความเจ็บปวดสองคนช่วยกันข้างลําต้นไผ่ต้นโตออกแรงดึงร่างเพื่อนบาดเจ็บออกมาได้นอนแผ่ลาบพื้นดินแล้วเรีย ว, วิ่งลงโข ก, กทานแห้งมีหินเรียงรายสิงพรานกรเรียงร้องครางหลังฟื้นจากสลบได้สติเห็นพวกมาช่วยก็เริ่มรู้ตัวว่ายังไม่ตายเพียงแต่บาดเจ็บซี่โครงหักร่างกายบอบช้ำเดินลุกไม่ได้ เพื่อนกระเรี่งสองคนรีบเอามีดเน็คตัดลำต้นไผ่สองทอนทำแคร่มัดด้วยหวเรีบร้อยเอาเพื่อนที่บาดเจ็บมากจนเดินไม่ได้นอนลงในแคร่และช่วยกันแบกใส่หามขึ้นจากรขงอย่างทุลักทุเลอีกคนบาดเจ็บแต่ยังพอช่วยตัวเองได้ใช้ไม้เทา้าหยาดก้าวกระโผลกกระเพลงแต่ไม่ยอมทิ้งปืนพากันเดินทางตามด่านใหญ่ที่พื้นลื่นเพราะฝนใหญ่ตกหนักเมื่อตอนเช้าลูกบากะระรีงทั้งสองตัวไม่ใหญ่แต่เรี่ยวแรงมากอย่างเหลือเชื่อแบกเพื่อนคนเจ็บไม่ยอมหยุด3ามชั่วโมง บังเอิญมาพบตำรวจตระเวนชายแดนสองนายที่เดินทางกลับไปบ้องตี้หลังจากที่ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นให้ต่อชดอฟังเรื่องการลากกระถิงเปะถูกกระทิงโทนเล่นงานสะบักสะบ๋มบาดเจ็บกระถิงบ้าเลือดมันก็โดนยิงบาดเจ็บอย่างไม่ตายผู้หมูดศิษย์เอกเลือกต่อชะดอลงความเห็นกระถิงบาดเจ็บปล่อยไว้ไม่ได้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต้องติดตามกำจัดมิฉะนั้นจะเป็นอันตรายกับชาวบ้าน ผู้หมู่ใจหินวางแผนให้คนเจ็บทั้งสองคนรอพักกินข้าวห่อที่เตรียมมาแต่เช้าพผประทังความหิวแล้วให้กะเรียงที่ไม่บาดเจ็บนำทางไปยังที่เกิดเหตุใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าต้องเดินลัดป่ามาถึงที่ทำสึกกระทิงสำรวจรอยกระทิงใหญ่ที่กดรอยกรีบดินอ่อนชัดทั้งต่อชะดอก็เรี่ยงนำทางจ้องสำรวจรอยกระทิงเจ็บไปอย่างระวังตัวไม่ประมาทที่จ ะ, ะเผชิญคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ รอยของมันบางครั้งก็หายไปพระเป็นลานหินต้องช่วยกันหากรเีงหนุ่มมองเห็นต้นไม้เล็กพุ่มไหนถูกทับดินน้าหนักตัวกระถิงหรือวิ่งไปที่ผู้หมูต่อชอดอทั้งสองใช้ความเงียบไม่ส่งเสียงนําตชะอโดอมาที่กระทิงลุกไปได้ไม่นานมันขี้กองไว้กองใหญ่มแมลงยังไม่ไต่ตอมมีหยุดเลือดเปื้อนที่พื้นหินและเช็ดตามต้นไม้ไผ่ผากคราวนี้ต้องระวังตัวยิ่งพระคู่ต่อสู้แฝงตัวอยู่ตรงไหนไม่รู้ ต่างต้องหาตามองแบบไม่กระพริบเงือแต่พลาดก้าวแต่ละก้าวยิ่งกว่าย่างแม้แต่น้มเกี่ยวกังเกงก็ต้องใช้มือแกะออกสูดลมหายใจลึกปืนยิงเร็ว M16 อยู่ในท่าเตรียมพร้อมที่จะยิงทุกขณะผู้มูนำหน้าค่อยเดินย่องมาถึงดงไม้บนยอดเนินสูงทิ้งระยะผู้ตามมาอย่างเงียบ เดี๋ยทุกคนหารู้ไหมว่าเป็นเจาคาที่น่ากลัวกําลังจ้องมองแอบอยู่ในตรงไม้ใกล้ดอนรอเวลาที่จะลงมือหลังแขนด้วยความพยาบาทแล้วเวลาที่มันอดทนเฝ้ารอคอยก็ามาถึงรอการระยะที่ถล่มเข้ามาผู้หมูวย่างเงียบและเบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองหาได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่ากําลังถล่มเข้าไปสู่กับดักอาวุธปืน M16 อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเพีย้ยเสียงไม้หักดังสนั่นฟืด ดองไม้หักพร้อมเสียงลมหายใจพ่นออกมาจากรูจมูกบานของกระทิงโถนตัวใหญ่เมื่อคือหมาเหมือนภูเขาลูกยำย้อมดันดองไม้ปลีเข้าช้าใส่ศัตรูของมันอย่างรวดเร็วพหมู่ใจกล้าต้องรับเนี่ยวกปืนเอลซเข้าใส่เป้าหมายในระยะประชิดกระสุนปืนจุดสอาระเบิดดังทั้งชุดกึกก้องหุบเขากระทิงใหญ่โถมเข้าถึงตัววิ่งเข้าขวิดที่ลำตัวกระเด็นลอยขวางลงหน้าผาพร้อมกับเจ้ากระทิงบ้าเลือดสิ้นใจทั้งคู่เป็นการต่อสู้อย่างยุติธรรมที่สุดไม่มีฝ่ายใดแพ้ชนะ ตชะโดและกะเรี่ยงรีบลงไปดูแต่ไม่มีทางช่วยต้องกลับมาที่พวกเรอเฝ้าคอยฟังผลด้วยความกระวนกระวายใจเมื่อรู้เรื่องราวน่ากลัวที่เกิดขึ้นต้องรีบกลับไปบ้องตี้รายงานให้หมวดหน่อยต่อชะโดทราบข่าวจึงระดมคนให้ไปช่วยนำศพหมู่ต่อชะด อ, ออกมาจากป่าท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเพื่อที่เป็นหัวแรงในการนําศพครั้งนี้มีพรานตอบชาวกะเรียงบ้องตี้ในที่สุดศพของหมู่ต่อชะโดก็ถูกทําฉาปนากิจที่วัดบ่องตี้ พรไม่สามารถนําไปทําพิธีที่จังหวัดกาญจน บ, บุรีและเนื้อกระทิงก็ไม่มีใครเอาไปกินเอาไปเพ่งแต่เขาที่ติดไว้ที่วัดบ้องเต้ครับแล้วเรื่องราวสองรสชาติก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในป่ากกันทั้งคู่แล้วก็เสียงผมก็แหบมากยังไงก็ต้องขออภัยนะครับก็ขอให้ทุกท่านรับฟังอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บและไม่จนสมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบ อุดมด้สติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ